ดิลม์ غ ักฟร์ لنا وترحمنا أن نكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدوم كرحمة وهيئ َ لنا من أمرنا رشدا اللهم ا ن ف ع ن ا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله ش ك ตนะครับต <Der ulo id> ่อ Allah سبحانه และ ت ع อวันนี้เราขึ้นเดือนใหม่เดนซาฟาร์แล้วนะครับใครที่ยังไม่รู้ตัวไอรเบิลอาวลทรเอาวลแล้วก็มกกราคม ไนะันม้มันมันสุร u l อัลลอฮฺตูบีลัยอัลฮัมดุลิละนะครับขุบคตณ่อน Allah า ب ح ต ن ละกไร้ขั้นนะครับการเรียนของเราก็เรื่อยๆนะครับอัลฮัมดุลิละถึงแม้ว่าจะเป็นไม่ได้มีเนื้อหาที่ เขาเรียะกว่าเรียนเรื่อยนะอัลลอฮ์เรียนเรื่อยๆนี่บางทีก็เหนื่อยเหมือนกันบางทีคนเรียนเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยกับการไปเรื่อยๆอย่นะเมม่ไรจะไปเร็วเ็วไม่ยอมไปเร็วเร็วไปแบบเรื่อยๆไม่ยอมไปเร็วเ็วบางคนชอบเร็วเร็วแต่พวกเราชอบเรื่อยๆนะก็ไม่ว่า ก, กัน บางคนชอบไปเร็วหรือบางทีเราเองอะ่ะบางเรื่องเราชอบเร็วบางเรื่องเราก็ชอบเรื่อยๆทีนี้ถามว่าไอการเรียนเนี่ยมันต้องไปเร็วหรือว่ามันต้องไปเรืร่อยเรื่อยะเรื่องเรียนเนี่ยพวกเราชอบแบบไหนวันนี้รู้สึกแปลกรู้สึกไม่ค่อยดี เป็นไงครับพี่น้องเรื่องเรียนพวกเราชอบไปเรื่อยเรื่อยไม่ชอบไปเร็วๆร็วอะ <S <S คนแก่เนี่ยชอบไปเรื่อยแต่พวกวัยรุ่นนี่มันชอบไปไวัยรุ่นนี่มันชอบไปเร็วเร็วนวัยรุ่นมันชอบไปเร็วเร็วเห็นหมขนาดเรื่องเดียวกันเนี่ยคนแก่กับคนหนุ่มมันคือความคิดมันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับอะ อ๋อพอเขาแก่เขาก็เรื่อยๆมันฟังไว้ไปรุ่นฟังไว้ไปรุ่นอย่ารีบนะไปเรื่อยๆแล้วก็มาเรื่อยๆด้วยนะอย่าหายคนแก่นี่เขาจะมาเรื่อยๆนะเขาเขาจะไม่รีบนะเขามาได้เรื่อยๆแต่คนหนุ่มนี่บางทีพอมันไม่เร็วเดี๋ยวพอมันเรื่อยๆก็เลยไม่มาซะเลยนะครับ อันนี้คือความแตกต่างระหว่างวัยรุ่นกับกับคนแก่นะครับซึ่งจริงๆแล้ววัยรุ่นคนแก่ก็เคยผ่านมาแล้วนะครับคือคนแก่นี่เขาเคยผ่านวัยแบบเรามาแล้วเขารู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วพวกเราที่เป็นวัยรุ่นสักวันหนึ่งก็ต้องแก่สักวันหนึ่งก็ต้องแก่เหมือนบรรดาผู้อาวุโสของเรานี่เป็นสัจธรรมเป็นเป็นสิ่งที่เราหลีกหนีไม่พ้น ا ل ل a h سبحانه และเตล่าได้บอกให้เราได้สกิปเตือนเราในอายัดหนึ่งมาั้งเราบอกว่าอะไรนะ Allahu الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة ในสุรทูรูม ส و ر รู وم, มนัาถือกาของส ورة รูมขอพรจาอวยพรและกระค์ผู้สร้างส um ราค์เราจากสภาพที่ราอนแออนที่เราเป็นเด็กมีราอนแอซงพระองค์ทรงสร้างเราจากสภานแแล้วจากสภาพที่อ่อนแอเราก็เริ่มโตขึ้นกลายเป็นชายฉกรรจกลายเป็นคนหนุ่มที่มีแรง แต่หลังจากที่เรามีแรงก็จะถึงขีดสุดของมันจงถึงจุดสุดยอดของอายุขของมนุษย์วัยกลางคนใช่ไหมครับละตละก็จะเรียกคืนซึมมาจาอะไรมิบาาเดกูปุซึมมาจะอะไรอะซมมาจอะมิบ่าดี قوة ทิน ล, ละตละก็จะทำให้หลังจากที่มีความแข็งแรงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ่แสน ก็จะอ่อนแอกลับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือว่ใช่ไบมเพิ่มเติมคือความขาวของเส้นผมอ่าเพิ่มงอมาตอนที่ไม่ไหวตอนที่อ่อนแอครั้งแรกเนี่ยตอนที่เป็นเด็กยังไม่มีงอกแต่ตอนที่อ่อนแอครั้งที่สองเนี่ยแถมให้มาด้วยก็คือแถม แอปงาะมาด้วยสุภานัลนแหลอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเจอส่วนใหญ่แล้วคนที่กำลังสนุกอยู่กับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนียาเขาไม่ชอบอายัดนี้เขาอยากคิดอันนี้อยากสนุกไปก่อนช่างเหอะต่อไปจะเป็นยังไงกูไม่คิดอันนี้เขาเรียกไม่มองอต้องรู้จักมองการไกลในเรื่องของชีวิตด้วยไม่ใช่ในเรื่องของดุนียาอย่างเดียว และถ้าจะให้ดีต้องมองการไกลไปจนถึงวันอัคราตนะครับต้องมองการไกลให้ถึงวันอาคราตว่าเราจะไปวันอัคราตจะอยู่ยังไงจะอยู่แบบไหนในวันอัคราตจะไปเจอกับอะไรบ้างและนี่คือเนื้อหาที่อัลกุรอานต้องการให้เรารู้ที่อัลลอฮฺสุบบานแต่เราประทานอัลกุรอานทั้งหมดมาเนี่ยก็เพื่อให้มนุษย์เนี่ย คิดเรื่องแบบนี้วางแผนชีวิตในเรื่องแบบนี้รวมถึงสุราที่เรากําลังเรียนอยู่สุราตัวอะไรครับสุราถุนเอ็นซ้างสุราที่ว่าด้วยมนุษย์นะครับสุดท้ายมนุษย์จะเป็นยังไงสุราตัวนี้กำลังอธิบายให้กับเราอยู่เพราะฉะนั้นเรียนเรื่อยๆจนกว่าเราจะถึงจะถึงจะถึงอะไรก็ได้เป้าหมายที่จะให้เราเข้าใจนะครับ ชาลลอสุฮาตา์เลยวันนี้มาดูวันนี้มีเรื่องเยอะมากนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวเป็นการอธิบายเกี่ยวกับสวรรค์เลยนะครับตั้งแต่อายัดวันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งทั้งหน้าเนี่ยจะพูดถึงเนื้อหมัดในสวรรค์เลยอายัดที่ 7. เจ็ดเราจะอ่านอายัดที่เจ็ดเอาก่อนอธิบายอายัดที่หกแล้ว อัที่เหน้าสีบครับอาบูบิลลาฮิมินอชชัยตานิร์จาจิม يوفون بالنذر ويخافون يوما كان ش ر ه مستطيرا ว ي, ي, ي e ُ طعمون ْ الطعام َ على حبه ِِّ مسكين ويتيم ََ وأسير ً ا <ت ص في ق> ما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء إنا نخاف ََُ من ربنا َ يوما ًَ عبوسا َ قطاريرا َ م ف َ و ق ا ه م الله َ شرذا ََّ จَ ا ل ั้น ا ل มีَ و ที่มีควา و َ ج َ ز ا ه ُ م بما صبروا َ ج ن ت ة ً وحررا َ ي متكئين َ فيها َ على ا ل أ ر ا ِ นั ولا ق> <ق الله. ่นเองนะค بالنزر ี การาชรูห์มุสตัีร่ายตอธิบายสาเหตุหรืออธิบายสิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้บรรดาบ่าวของล่อสมทานอัจจะได้รับการตอบแทนเป็นสวนสวรรค์ซึ่งครั้งที่แล้วเราบอกว่านะครับเนมัดโดยรวมของชาวสวรรค์เนี่ยที่เราพูดถึง ขึ้นต้นมาอรรถตา่าเาบอกว่าพวกเขาจะได้ลิ้มรสน้ำจันทน้ำจันภาษาโบราณมากเลยใช่ไหมน้ำจันทเนี่ยแล้วว่าอะไรน้ำจันเด็กๆรู้รู้หรือเปลจออะจอไม่หันอากาศนอนเนนทอนางมนโทการันใช่ไหมฤทธิ์อ่าต้องถามต้องถามองเอง็นคนเรียนภาษาไทยรู้จักไหมน้ำจันทคืออะไร ไม่รู้จักเด็กๆไม่รู้จักภาษาโบราณภาษาคนแก่น้ำเมาคือเหล้านั่นเองนะครับกะซันเราบอกแล้วในะคราบเวลาเราพูดถึงกะซันก็จะไม่ถึงแก้วที่เต็มไปด้วยเหล้านะครับเป็นเหล้าในสวรรค์เหล้าในสวรรค์ที่ลาฟีฮาเก่าเลไม่มีฤทธิ์ทำให้เมามมเวลาอยู่ซฟูนแล้วก็ไม่ทำให้ปวดหัวไม่ ไม่ทำให้เสียสติและเป็นน้ำที่สามารถจะสั่งอยู่ฟัดจิรูนะฮะจรสั่งให้ผุดตรงไหนมันก็จะผุดตรงนั้นสั่งให้มันพุ่งออกมาจากตรงไหนมุมไหนของห้องของของของขอ ง, ของวังของที่พักของเราเราสั่งได้เลยตามใจนึก นี่คือความโอออาอลังการความสุขสบายในสวรรค์ที่เาแต่ลาพูดถึงเป็นเป็นเรื่องแรกถามว่าได้ได้สิ่งเหล่านั้นมาได้ยังไงอธิบายสมัยที่อยู่ในโลกดุนียเนี่ยทำอะไรทำไมถึงได้ผลตอบแทนที่ดีที่เลิศขนาดนี้ยูฟูนบินนัตรีนี่คือในจำนวนอามัลที่พวกเขาเหล่านั้นได้ทำ อัลวาเซอ์บินนาซรอันนาซรหมายถึงการบนบานอะไรคือการบนบานนาซร์แปลว่าอะไรเราใช้ไหมนาซร์บนจริงๆแล้วบนระหว่างนะทุกศาสนาเนี่ยผมว่าศาสนาที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็มีการบนเขาบนว่าอย่างไงปกติแล้วเวลาเขาบนเขาบนว่าอย่างไงเวลาเขาบนเขาบนเรื่องอะไรบ้าง ชอบไม่พูากส่วนใหญ่แล้วคนจริงๆแล้วการนาซัรเนี่ยหรือว่าการบนบานเนี่ยไม่สนับสนุนในอิสลามไม่ถือว่าบนบานที่ถูกต้องนะบนบานมันจะมีบนบานที่ผิดที่เป็นสิ่งที่ฮารอมก็เหมือนกับที่เขาชีริกบนว่ายังไงถ้าฉันได้อันั้นไอ้นี่ฉันจะไปอน่นแหละ <laughs> อจะเอาหัวอะไรไปถวายะจะเอาเชือดไก่ไปจะเอาไปหรือจะไปรำไปเต้นไปให้กับอะไรอะก็อะไร อ, อะร อ, อ น, นุสาวรีนะ่ะแต่ว่าไปนะครับเออานะฮะเยอะแยะไปหมด่ะไม่รู้แหละอันนี้มันฮ ARAM แน่นอนฮ ARAM แน่นอนไม่ได้แน่นอนบางทีถึงขั้นชิริกนะอูฐเป็นละแต่อะไรแต่ถามว่ามันจะมีการบนบางที่ไม่ถึงขัน้นฮ ARAM อย่างเช่นฉันได้ตามที่ฉันหวังเอาไว้ฉันจะบวชว่าไปฉันจะเชื่อแพ้เพื่อ Allah s u b h a n a h u w a บางคนก็มีอย่างนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นสามจังหวัด น, นี่เขาจะบนเรื่องอะไรรู้ไหมช่วงเดือนเมษาจับใบดำใบแดง <laughs> <laughs> เนีจะมีเยอะจะมีเยอะแต่ถ้าจับได้ใบใบอะไรที่ไม่ต้องเป็นหาใบอะไร อ่าถ้าจับได้ใบนี้เชือดแพะเลี้ยงคนท้งหมู่บ้านเชือดเพื่อ Allah ไม่ได้เชือดเพื่อคนอื่นอันนี้ไม่ได้หรามนะครับแต่ว่าสนับสนุนไหมอ่านี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราไปไปอ่านดูข้อมูลเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่สมควรการนารักไม่สนับสนุนเพราะมันถ้า a ล l a h سبحانه ตัตงอะไรตัดีินมา สมมตินาซาร์บอกว่าคือการนาซาร์ของเราการบนของเราไม่สามารถที่จะไปขัดขวางกอดารหรือกอดเอของอัลลอฮฺสุบะฮฺกะลาได้ไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สนับสนุนผมเลยมีบางคนบอกว่ามันให้ยอนหัวและมีหะดิษบางหะดิษที่บอกว่าเราต้องจุรุนะครับพวกเจ้าอย่าเพราะฉะนั้นอย่าก็คือไม่สนับสนุนให้เรานะั้น อะไรนี่อะไรหน่อยก็บนนะเหมือนเหมือนคนขี้เกียจอะ <c ười> ไม่รู้ชายทางบนไว้ก่อนนะเผื่อเื่อมันจะฟลุกอันนี้ก็เลยไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยสนับสนุนในเรื่องของการบน่นแต่ถ้าบนไปแล้วนะถ้าน่ารัไปแล้วแล้วมันได้มาขึ้นมาด้วยเพราะความประสงค์ของ ล, องะละ็อกสวาล่ะจำเป็นที่เราจะต้องต้องว่าแพนะ้ต้องทำตามสัญญาแกบนเลยนะ ไม่ใช่แก้แก่นี้เป็นภาษาของเขาภาษาของเราก็คือทำตามสัญญาที่เราได้สัญญาไว้ว่าเราจะทำอย่างนี้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้ามันเป็นการต่ออาตต่อ Allah s u b h แต่ถ้ามันไม่ใช่การต่อะาตต่อ a ถ้าเราบนในสิ่งที่ผิดบนในสิ่งที่เป็นชีริกบนในสิ่งที่เป็นมะเสียดห้ามทาเด็ดขาดและจะต้องจ่ายกฟาร์ทดแทนห้ามทำตามที่เราบนแต่จะต้องไปจ่ายกฟาร์ ด, ด้วย จ่ายข้าสารอาชรตมาซคีนใกับคนยากจนกี่คนสิคนนีะิบคนเน่ยในส و ر อัลมาอิดะกฟาระกฟาระน r เนี่ยเหมือนกับกฟาร์เรยมีนเหมือนกับเวลาที่เราสาบานและเราทาตามสาบานไม่ได้ก็ต้องจ่ายต้องจ่ายกฟารนะครับกิฟารกิฟาร์สาบานเรากิฟาร์ใช่ครับ อันนี้คือภุกครมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับกนัพเพราะฉะนั้นการนาซัรเนี่ยบางครั้งต้องระวังมากๆโดยเฉพาะในยุคของพวกเราสมัยก่อนมันก็มีเยอะสมัยนี้มันก็ยังมีอยู่สมัยคนฉลาดสมัยคนที่แบบมีเทคโนโลยีอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วมันก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของการนาซัพ ก, การนาซัรเนี่ยนาซักับสิ่งอื่นไม่ได้เด็ดขาดนอกจากต่อลกสุภาวงตแล้วเท่านั้นโต๊ะไหนก็ไม่ได้ แชรไหนก็ไม่ได้กีไหนก็ไม่ได้ ไ, ไม่ไ ด, ไได้จะอะไรนำหน้าก็ไม่ได้ทั้งสิ้นจะไปนบนไม่ได้เด็ดขาดนะครับนอกจากเรื่องที่มันเป็นการต่ออานต่อร่ อ, องสุบฮามุกัลนละเท่านั้นและยังไม่สนับสนุนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะนะรัตก็คืออเอาเลยจนติดนิสัยอย่างนี้นะครับท่านนาบีสุลตัลละสั่งเัาไม่สนับสนุนให้เราทํานะรัตนะแต่ว่านะถ้าหากว่ามีการนะรัตไปแล้วต้องทํา ยูฟูบิ่น بالن ักรยูฟู่น بالن ักรีว่าข้าวุ่นว en ่า <No ข ah ้าวุ่นยื่อวันแค่นชรรหูมัสตทีระแล้วพวกเขานั้นมีความวาดกลัวต่อวันอะเขรัฐซึ่งวันนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงครับกค่นชรรหูมัสตทีระความกลาหนความน่าสะเป็นกลัวของมันเนี่ยมัสตทีรมุสตีรเนี่ยเหมือนกับ อยู่ในอากาศมันโบยบินอยู่ในอากาศมันอยู่ทุกที่มันไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งความน่ากลัวของวันอะเครัสเนี่ยไม่ใช่ว่าชุกลุ่มอยู่ตรงนี้ที่เดียวตรงอื่นไม่มีไม่ใช่ทั่วจักรวาลวันที่วันเกิดวันแคลมัสเนี่ยดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกนี้ผูกเขาทุกสิ่งทุกอย่าง ศูนย์สลายกระจุยหมดไม่ใช่เฉพาะเกิดเฉพาะประเทศไทยประเทศอื่นไม่เกิดไม่ใช่ทั่วทั้งหมดเลยนี่คือความหมายของคําว่ามุสตอสีรอนะไม่มีที่ที่จะหลบภัยได้เด็ดขาดนะวันเกิดกียรตินั่นแหละที่อลัลลอฮฺว่ า, ว า, วาอลาัลนละหรือท่านนาบีสุลตาร์บอกว่าวัาวนเกียรติจะไม่เกิด น, นอกจากกับบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะอัลาเท่านั้น ผู้ศรัทธาจะไม่มีวันเห็นวันเกมัดเพราะมันน่าสะเฟงกลัวมากอัลลอฮฺละลาฮฺเมตตาบรรดาผู้ศรัทธาให้เสียชีวิตก่อนทั้งหมดวันแกมัดจะเกิดขึ้นกับบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺมอลเท่านั้นอัลลอฮฺอัลอินนานาอูรุบิแคมินฮาดะลยูมอัลชิดีแคเนชัรุหูมุสตัติร่ายูตั้มุนอลต์อามะอลาหุบบีฮิมิสกีนัน ว َيَتِيمًا و َ أ َ س ِซ ر รออันนี้เป็นงานชิ้นที่สองที่ทำให้เขานั้นได้รับผลตอบแทนในสวรรค์ยูฟูนบินนัจริมีคำอธิบายที่น่าสนใจมากนะครับจากเชคอสซาดีอะาดีบอกว่าคนเหล่านี้เวอิดาแคโนยูฟูนบินนัจริบีมาเอลซามุบิฮิอันฟุสะมุลิลลาห์มินะนุซูรวะลูมะฮัดด เหมือนกับว่าคนเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่อัาลลอฮละไม่ได้ไม่ได้วาจิบให้เขาทําอะนะรันี่วาจิบหรือเปล่าครับไม่วาจิบสมมุติคนคนหนึ่งบอกว่าฉันจะถือสินอดสามวันสามคืนติดต่อกอันอน้อยมากฉันจะถือสินอดหนึ่งเดือนติดต่อกันถามว่าอาาลาัลลอฮละวาจิบไหมถือสินอดหนึ่งเดือนติดต่อกันไม่วาจิบต้องจากในเดือนให้เดือนอามตอตนเขาเป็นคนทําให้การถือสินอดนั้นเป็นที่ วาจิบกับตัวเขาเองแล้วเขาก็ทำได้จริงๆของที่ไม่ว่าจิบนี่เขายังทำได้แล้วนักภาษาอะไรกับของที่ของที่ว่าจิบแสดงว่าของที่ว่าจิบเนี่ยเขาทำได้หมดแล้วถ้าสมมติว่าของที่ว่าจิบนี่ไม่ทำแต่มามาซัดมาบนบานกับสิ่งที่ไม่ว่าจิบนี่อันนี้เขาเรียกว่ากลับหัวกลับหางแล้วไม่ใช่ละไอเดือนรอมดอนไ ม, ม่ยอมถือสินอด แต่มามานาซัตจะถือสินอดเดือนอื่นอย่างนี้ไม่ใช่ละอย่างนี้แสดงว่าสมองมีปัญหาแล้วใช่ไหมครับกรณีแบบนี้ต้องไปเช็คแล้ววเฮ้ยตกลงมันยังไงกันแน่จะนาซัตเนี่ยแสดงว่าต้องทําสิ่งที่วาจิบให้มันให้มันได้ก่อ น, นถ้ายังถ้ายังทำสิ่งที่วาจิบไม่ได้เนี่ยนาซัตไปมันจะมีประโยชน์อะไรถูก ต, ต้องไหมนะครับอันนี้อายัดนี้นี่บอกว่าหมายความว่าคนที่นาซัตเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่วาจิบนี้เขายัางทําได้ เขาทําได้แน่นอนขนาดสิ่งที่นะรัตเขายังทําได้แสดงว่าสิ่งที่ว่าจิบเนี่ยเขาก็ทําได้แน่นอนวายตุตอิมูณะตออัลอาลาฮุบบิคนเหล่านี้เนี่ยนอกจากประการที่สองคุณลักษณะนิสยัยประการที่สองที่ทําให้พวกเขาเหล่านี้ได้เข้าสวรรค์อามัลต่างๆที่พิเศษที่ทําให้คนคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์เนี่ยประการที่สองก็คือการให้อาหารการให้อาหารกับคนที่มีความจําเป็น ทั้งทั้งที่เขาเองเนี่ยมีความมีเรียกว่าอะไรอะไรฮ็อบบ้เขาเองเนี่ยเขารักเขาปรารถนาอาหารที่เขาเป็นเจ้าของแต่เขาก็ยังจ่ายยังบริจาคให้กับคนอื่นสมมติเขามีอะไรมีปัจจัยมีริสกี้อยู่แล้วเขาก็รักนะไม่ใช่ว่าให้แบบไม่เอาละ เหมือนคำอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺบอกว่าแลน์ตนาลุลบิร์ร่าหัตตาตุนฟุกูมิมมาตุฮิบูลว่าเราจะจะบริจาคเนี่ยเราจะต้องบริจาคสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนไปบริจาคอินทพาล์มอยู่ที่มัสยิดของท่านนบีสุลตัลลอฮฺอะลัยวะสันละเป็นอินทพลาล์มเก่า อป็นอที่พาลเลยแบบไม่มีคนจะกินแล้วะคือของเหลือเนเอาให้บริจาคไอของดีๆที่เรากินหมดอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่เข้าขาย y อายัดน<า>ี้สิ่งที่เราจะบริจาคเนี่ยจะต้องเป็นสิสส่งที่สวยๆสิ่งที่สวยๆถ้าเป็นกล้วยก็คือกล้วยที่มันแบบเป็นเครือที่สวยๆไม่ใช่เอาเครือที่แบบนิ้วก้อยเข้านิ้วก้อยมาบริจาคคนอื่นไอที่สวยๆที่เรากินเองแสดงว่าไม่ใช่อายัดนี้ละ อะไรเบีฮิแสดงว่าเขารักแต่เขาก็ยอมที่จะเอาของสวยๆเนี่ยเอาไปบริจาคเข้าใจไหมครับถ้าเป็นคนอาหรับก็คือเลือกเอาอินทภาลัมคัดเกรดเอเกรดเอเอาไปบริจาคไม่ใช่คัดเกรดเอเก็บเอาไว้แล้วเกรดบี grade ก็เก็บเอาไว้ไอเกรดที่มันแบบ ไม่มีอ e, ีไม่มีดีเกรด Z อย่าง <laughs> เี้เกรดเกรดที่คนไม่อยากจะกินแล้วเนี่ยเอาไปให้คนนั้นเอาไปให้คนนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เข้าขายอายักนี้อายักนี้นี่หมายถึงว่าเราต้องคัดเกรดดีๆเนี่ยเอาไปบริจาคให้กับคนอื่นเขาใจะอะครับนี่แหละที่ความหมายเี่ยว่าัล <laughs> an um uh ่าวบอกว่า لن تناول برد حتى تنفق مما ت บุ و ن พวกเจ้าจะไม่ได้รับความดีงามนอก นะจนกว่าเจ้าจะบริจาคสิ่งที่เจ้ารักน่าที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสหาย บ, บางคนเนี่ยอย่างเช่นท่านอุมารอิมุตฮ์ตอบเนี่ยก็เลยบริจาคส่วนอินทพารลังที่ตัวเองรักบางคนเนี่ยบริจาคตัวเองรักมากส่วนอินทพารลังแล้วตกลงไปวัดกัฟให้กับท่านนาบีสลุลต่านละแล้วท่านนาบีก็บอกว่าอัลอลอฮฺจะทดแทนให้กับเจ้ากับส่วนในสวนรรค์เพราะฉะนั้นเวลาที่จะบริจาคเนี่ยเราต้อง ต้องทําใจก่อนอันนี้คือคือบางทีเราก็ต้องสอนตัวเองต้องสอนตัวเองนั่นแหละที่ผมบอกว่าแม้กระทั่งเรื่องการบริจาคเนี่ยก็ต้องมีการบริหารต้องบริหารทรัพย์สินอัลลอฮละสอนให้เรามีการบริหารทรัพย์สินด้วยบริหารว่าจะใช้เงินกี่บาทบริหารว่าจะใช้เงินยังไงเห็นไหม ศูนยห้านั่นหรออิสลามสอนให้เรารู้จักการบริหารจัดการถ้าสมมุติว่าวันเนี้เรามีเงินอยู่ถึงแม้วันนี้ ว, วิธีเขาเรียกอะไรนะการบริหารการเงินเนี่ยมันเป็นวิชาที่เขาเรียนกันสมัยนี้เขาเรียนกันจะบริหารเงินยังไงจะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนจะไปลงทุนเท่าไหรจะออมเอาไว้เท่าไรจะใช้เองเท่าไหรเขามีสอนหมดใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยอย่าแพ้คนที่ไม่ใช่มุสลิมในการบริหารจัด ก, การเรื่องการเงินของเราต้องมีส่วนที่เราจะต้องฝากเอาไว้ในธนาคารของอลอสวาลตาลาด้วยต้องมีทํำยังไงให้มันมีต้องกลับไปบริหารไม่ใช่ว่าใช้ยั่วอู่มจนหมดแล้วไอ้ที่เหลือนี่แหละที่จะเอาไปฝากาไว้ธนาคารของ Allah สแสดงว่าเราไม่ได้บริหาร เราไม่ได้บริหารที่จะไปฝากไว้ในธนาคารของนเราเราเอาของเหลือแล้วที่เราไม่เอาแล้วไปฝากไว้กับอัลลอฮ์เราบริหารเฉพาะเงินที่เราใช้ในดุน ي ة แต่เงินที่เราจะเอาไปไว้ในอัคราเนี่ยเราไม่ได้บริหารไม่ถูกถ้าเราบริหารเงินที่เราจะใช้ในดุน ي ة เราก็ต้องบริหารเงินที่เราจะเอาไปฝากไว้กับอัล ocket, <érer> ลอฮ์เพื <broccoli> ่อที่จะเอาไปใช้ใ น, ในาาวันอัคราด้วย ต้องบริหารด้วยไม่ใช่บริหารเฉพาะที่จะลงทุนที่จะเปิดร้านที่จะไปต่อยอดธุรกิจแต่ที่จะเอาไปซื้อสวรรค์ของพระเนี่ยเราไม่บริหารเลยอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับผมบอกเอาไว้เลยอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งเราต้องกำหนดเอาไว้ว่าจะบริหารเงินสาหรับอคารกกบาเดือนหนึ่งกี่บาท หรือปีนึ่งกี่บาทบริหารเลยวันหนึ่งกี่บาทก็ว่าไปวันละบาทได้ไหมวันละบาทเนี่ยได้เท่าไรแล้ววันละบาทในคุณได้กําไรไปเจ็ดร้อยแล้วนะเจ็ดร้อยวันละหนึ่งบาทที่เราบริจาคให้กับอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺเราจะได้เจ็ดร้อยกำไรแล้วแต่ละขีดเอาไว้ละเพราะฉะนั้นต้องบริหารด้วยบริหารการซาดะกะอย่าปล่อยให้ มีช่องทางเยอะแยะในการที่เราจะไปฝากธนาคารของเาแต่เราบริหาก ร, าราการสะกดโกหกไม่เป็นบริหารการวกัสของเราไม่เป็นนะครับเพราะว่าการสะกดโกหกที่ออกมาจากความรู้สึกว่าเรากาลังจาเป็นกาลังจำเป็นแต่เราออกมันเราออกมันได้ถ้าเราบริหารเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีความจาเป็นแค่ไหนเราก็ออกไปคือเราสามารถที่จะจ่ายออกไปได้โดยไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นภาระ ไอ้ที่เรา บ, บ, บริจาคหรือซดก็ไปแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันหนักหน่วงเพราะว่าเราไม่ได้บริหารแต่แรกเหมือนเวลาที่เราลงทุนอะเรายังมียังมีอะไรเขาเนี่ยยังมีความจําเป็นอีกหลายเรื่องต้องใช้ตังแต่เรากําหนดเอาไว้แล้วว่าต้องลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เวลาที่เราจ่ายออกไปสําหรับการลงทุนเนี่ยเรารู้สึกหนักเพราะอะไรเพราะเรากําหนดเอาไว้แล้วเรารู้แล้วว่าสัดส่วนของเงินของเรามันต้องไปทางช่องไหนบ้า เวลาที่เราใช้ไปมันก็เลยไม่รู้สึกหนักการสะระก้อนก็เหมือนกันถ้าสมมติการสะระก็อนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในส่วนที่เราบริหารเวลาที่เราจะจ่ายออกไปโอ้หนักมาก ท, ทั้งทั้งที่าอาลาต้องการจากเราแค่ 2.5 ดาเอรแค่นั้นเองผมอยากจะให้พวกเราลองฝึกลองฝึกกับตัวเองถึงแม้ว่าเงินของเราเนี่ยจะไม่ถึงพิกัด ที่จะต้องจ่ายอากาศก็ตามสมมุติเงินของเราเนี่ยมันไม่ถึงนิสอบไม่ถึงพิกัดที่จะต้องจ่ายอากาศหรอกได้เดือนละห้าพันสมมติไปนะแต่เราต้องการฝึกฝึกตัวเองให้เราเป็นคนที่สามารถเจียรติดห้ทุกเดือนจากห้าพันที่เราได้มาทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเป็นการฝึกวันหนึ่งวันใดที่เราได้มากกว่านั้นได้เป็นล้าน ควรู้สึกนั้นมันจะได้ไม่หนักใช่ไหมครับเพราะมันแค่สองจุดห้าอย่างอื่นที่เราจ่ายออกไปเนี่ยเดือนหนึ่งทีมากกว่าสองจุดห้าได้ซ้ําไปผ่อนลดบางทีเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีบางคนผ่อนลดครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเนี่ยผ่อนห้าสิบเปอร์เซ็นสมสิบเปอร์เซนตแต่เราไม่รู้สึกหนักเพราะอะไรเพราจัดเอาไว้แล้วแต่ไม่มีส่วนที่เราจัดเอาไว้เนี่ยเราไม่มีสองจุดห้าเอาไว้เลยก็เลยรู้สึกหนักเวลาที่เราจะออกสองจุดห้า เขาเรียกว่าวิธีการ management วิธีการบริการบริหารการเงินแบบแบบมุสลิมแบบคนที่อยากจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะอลนะครับว่ายุติโมนัต์อามอะลาฮบุบบอันนี้แค่อาหารแล้วน่าประสาอะไรกับกับทรัพสมบัติอื่นๆบางทีอาหารเนี่ยก็ยากนะที่จะให้คนอื่นของดีๆเนื <laughs> ้อเวลาที่เราอุรบานสังเกตดูวล้วที่เราอุบาน เวลาที่เราบริบาลเนื้อดีๆเนี่ยเก็บไว้กินไอ้ที่บริจาคให้กับคนอื่นก็คือเนื้อติดมันบ้าเนื้อเนื้อที่แบบขาดกระจุยรุ่ยๆเอาไปบริจาคกับคนอื่นนี่คือความคิดของเรามันจะเป็นอย่างนั้นสุฮาแนลละเพราะฉะนั้นอะลาฮุบิฮิเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเราบริจาคอาหารทั้งๆที่เรารักมันชอบมัน อันไหนที่เราชอบอันนั้นแหละสมควรที่เราจะให้คนอื่นไปเพื่อที่จะให้ได้เข้าข่ายกับพยัธินี้นะครับ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا สามสามประเภทที่อัลลอฮาพูดถึงตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะสามประเภทนี้แต่ว่าสามประเภทนี้เป็นคนที่มีความจำเป็นมากกว่าเพื่อนมีใครบ้างครับ ย่ามิสกี้นั่นคนยากจนคนยากจนคนที่ไม่มีไม่เพียงพอรายรับไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของเขาในแต่ละวันวายกีมันเด็กกำพร้าว่าซีรอและก็คนที่เป็นเชลยคนที่ถูกจับนะครับคนที่ถูกจับ มิสกีนันวายตีมันวาอซีรถามว่าทั้งสามประเภทนี้จำเป็นต้องเป็นมุสลิมหรือเปล่าครับไม่จำเป็น ม, มิสมกีนไม่ใช่มุสลิมก็ได้ยายตีนไม่ใช่มุสลิมก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนความคิดของเราด้วยบางทีพวกเราเวลาที่เราบริจาคมุสลิมเวลาที่บริจาคเนี่ยก็จะหามุสลิมก่อนเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วอิสลาม กว้างว่าแม้กระทั่งเชลยเชลยนี่ยังมีการเคลียร์กันว่าเฉพาะเชลยมุสลิมหรือว่าคนที่ไม่ใช่เชลยคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยถ้าเราดูในประวัติศาสตร์เนี่ยท่านนาบสีสั่งให้บรรดาสหฮาบะเนี่ยให้เกียรติกับบรรดาเชลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสหฮาบะบางคนก็เลยเอาเชลยศึกที่เป็นพวกมุชลินในสมัยก่อนเนี่ยเอามาทานอาหารที่บ้าน ให้เกียดถึงขนาดนั้นบางคนก็เลยรับอิสลามฉเฉลยบางคนรับอิสลามเพราะการที่บรรดาสาัฮาบะเนี่ยให้เกลียดกับบรรดาเฉลยในอิสลามเป็นอะไรที่สวยงามมากครับแม้กระทั่งในสงครามเวลาที่เกิดสงครามก็ยังมีความสวยงามแฝงอยู่เพราะศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่งความเมตตานี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้จักรู้จักตัวตนของอิสลามที่เป็นศาสนาของเราและจงภาคภูมิใจที่เรามีศาสนานี้ แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าภาพความมุนแรงที่มันเกิดขึ้นบางทีมันอาจไม่ได้มีอยู่ในคำสอนของอิสลามเขาอ้างอิสลามก็เป็นได้และขอให้เราภูมิใจว่านะคำสอนของอิสลามไม่เหมือนกับคำสอนจากยุทธพิชัยสงครามฉบับไหนๆทั้งสิ้นนะคนอื่นจะทำกับเชลยแบบไหนแต่อิสลามต้องจัดการเชลยแบบนี้ให้เรารู้ ถ้าคนอื่นบอกว่าศาสนาชาลาเป็นศาสนาความรุนแรงเอาสิเอาตัวอย่างของการจัดการเฉลยในในศาสนาของคนอื่นมาดูสมัยก่อนเขาไล่อย่าว่าแต่เขาไล่เฉลยมุสลิมเลยนะครับแม้กระทั่งคนที่ไม่ไม่ย้อนตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนิกายของตัวเองอเ่ยระหว่างโปรเตสแตนตกับออ t ทด็อกนะครับในสมัยอันเดลุสสมัยสเปนเนี่ยเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าการไล่ล่าแม่มด ในยุคนั้นแม่มดเนี่ยคือศาสนาของเขาแต่เองเนี่ยเขาทำยังไงเผาทั้งเป็นยังไงอันนี้คือการการจัดการกับเฉลยกับคนที่เห็นต่างในศาสนาของคนอื่นนะครับเป็นอิสลามไม่มีแบบนี้เวลาจับมาได้แล้วเนี่ยท่านนาบี บ, บอกว่าห้ามห้ามฆ่าเฉลยเหมือนกับการที่ฆ่าไก่อย่างไงอะ่ะคือเฉลยอะไรเขาเีย ไม่ยอมรับอิสลามท่านามีไม่ยอมให้ฆ่าผมจาไม่ได้ตัวบทหะดิษเป็นยังไงแต่ว่ามีระบุอย่างชัดเจนว่าไม่ให้บังคับขู่ฆ่าเฉลยแบบเหมือนกับฆ่าไก่ไก่เนี่ยมันเวลาที่เราฆ่าไก่เวลาที่เราฆ่าสัตว์ใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับว่าเรามัดแล้วเราก็ฆ่าทั้งทั้งที่มันทำอะไรไม่ได้ไงเฉลยเนี่ยเราจะไปบังคับฆ่าอย่างนั้นไม่ได้ไม่อนนอยะ Subhanallah, la h a w l a w a l a q u o t a illa billah. Nampak peduli tingin, tetapi cakap bahawa Islam bicara bukti ya, nak? Berjajak kan, chele, bagaimana, jadi kejar chele, bagaimana? Malahkan, bahkan, memberi makan kepada chele, masih ke menjadi peluru. Ini, wahai orang yang miskin dan yatim dan nah, orang yang diasingkan. Ini adalah memberi makan k e a d b e r j a j a และแน่นอนว่าถ้าเป็นเชเลยมุสลิมถ้าเป็นคนที่อยู่ในภาวะสงครามและต้องการความช่วยเหลือจากเราผมว่าอายัดนี้เนี่ยถ้าเราจะโยงกับพี่น้องที่กำลังลำบากอยู่ตอนนี้ก็น่าจะได้มากน่าจะได้ที่ถูกกับบริเวณเพราะสงครามอะ่ะพี่น้องของเราที่ซีเรียตอนนี้ถูกถูกเาะที่เยมเมนตอนนี้สุภานัดูภาพแล้วน่าสงสารมากความช่วยเหลือไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ต่างอะไรกับเชลย ฮะพวกกระบทที่กบทเฮลซี่ที่มันปิดเมืองไม่ยอมให้ความช่วยเหลือเข้าไปได้พร้อมแห้งหมดไม่ต่างอะไรครับกับกับเชลยที่นะโดนโดนกักทังที่ซีเรียที่โรฮิงญาที่อีกหลายๆที่ลาฮาอลวะลาุวาตัลลอฮิเลลาเพราะฉะนั้นขอให้เรามีส่วนนะครับในการหยิดยื่นความช่วยเหลือเหล่านี้ ให้กับคนที่กําลังลำบากเช่นพี่น้องของเรานะครับตอนนี้อยู่นะครับสักเล็กน้อยก็อย่างดีนะครับด้วยการเนี่ยวัยุต่อยมู่เรต่อมบริหารจัดการยังไงให้เราได้สามารถมีส่วนร่วมกับพี่น้องที่ได้ให้ความช่วยเหลือนะครับกับพี่น้องของเรากําลังลำบากอยู่อินนัมัณฑตุมุคุมลิวะห์ฮิละอินะบริจาคเนี่ยบริจาคเพื่อ a ล l a h จริงจริง อินมะแท้จริงแล้วเราให้อาหารแก่พวกคนเหล่านี้เนี่ยหรือว่าจิานะละือ Allah لا نريد مِنْكُمْ جَزَاءً ولا شُكُورَ เราไม่ต้องการการตอบแทนจากพวกเจ้าไม่ต้องการคำขอบคุณจากพวกเจ้านี่คือการบริจาคที่แท้จริงความอิคราสในการบริจาคเนี่ยจะต้องแสดงออกอย่างนั้นคือเราเป็นคนรู้เอง คนบริจาคเนี่ยเขาจะรู้เองว่าเขาบริจาคเพราะอะไรโดยที่ไม่ต้องเสแสร้งเราไม่จําเป็นต้องเสแสร้งว่าเราบริจาคเพื่อ Allah เราบริจาคไม่ต้องไปพูดก็ได้แต่ในทัฟซีนเนี่ยบอกว่าบิลีซ่าในฮัลพฤติกรรมเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้เองว่าเราบริจาคเพื่ออะไรนะแต่ละคนเนี่ยเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ไม่ต้องมาวิจารณ์ถึงแม้ว่าเราจะเห็นใครคนใดคนหนึ่งบริจาคต่อห น, น้าเราเอานี่มันบริจาคไม่ได้ มันจะเอาชื่อเสียงอย่านะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเขากับใครเป็นเรื่องของเขากับอัลละฮ์เขาอาจจะบริจาค克拉ฟๆเขาอาจจะบริจาคตอนน้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่หัวใจของเขาเนี่ยเราไม่รู้เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวิจารณ์คนอื่นบางทีพระละตัลลาอนุญาตให้ทั้งบริจาคแบบเปิดเผยและบริจาคแบบแบบๆอินทุศซาดกาติฟานิอิมมาฮีละตัลลาบอกว่า ถ้าเจ้าเปิดเผยในการซักก้ของเจ้าอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรเพราะบางทีการซักก้แบบเปิดเผยเนี่ยอาจจะเป็นการชักชวนให้คนอื่นได้มาได้มาบริจาคด้วยว่าอินทุฟูฮะหรือถ้าหากวกเจ้าจะปิดการซักก้อก็ได้อินุบุซกะฟานอมาฮวอินุฟูฮะวะุอลฟุการรบบั พระเจ้าจะปิดลับๆปิดลับๆแล้วก็เอาไปบริจาค ก, กับคนวิสกีนอันนี้ก็ดีสําหรับพวกเจ้าสาหรับผมผมมองว่าถ้าสมมุตินะผมมองอย่างนี้บางทบางีบางทีเราจะให้มันบาลานซ์กันระหว่างจะบริจาคแบบเปิดเผยหรือจะบริจาคแบบลับๆดีผมมองว่าถ้าสมมุติว่าเราทําในนามองค์กรบางทีการประชาสัมพันธ์ ความดีที่เราทําในนามองคอ์กรในนามจำมะในนามใหญ่ๆเนี่ยควรจะต้องประชาสัมพันธ์ให้เยอะเพราะมันจะเป็นผลดีต่อต่อองคอ์กรของเราทำให้คนเชื่อถือองคอ์กรของเราให้คนอยากจะมีส่วนร่วมกับองคอ์กรของเราอย่างเช่นบริจาคในนั้มัสยิดอย่างเงี้ยบริจาคเลยในะมัสยิดขึ้นไป้ายไปเลยบริจาคมัสยิดบางเชีเล้าบริจาคให้กับมัสยิดนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่ลงเฟซลงอะไรไปเลยก็ได้ทําไมครับอเ น, นี้ยจะทําให้คนอื่นๆอยากจะมาช่วยมัสยิด ให้คนสับปะบอรุษของเรามีความรู้สึกภูมิใจกับองค์กรมัสยิดของเราอยากจะมาช่วยมีกิจกรรมอะไรมัสยิดทําต่อไปเขาจะได้มาช่วยครับใช่ไหมฮะอันนี้ต้องมีการบริหารจัดการบอกแล้วแม้แต่ทางการบริจาค ก, ก็ต้องมีการบริหารจัด ก, การแต่เวลาที่เราจะบริจาคแบบส่วนตัวพยายามให้มันเป็นลับๆจะดีกว่ายกเว้นว่ามันมีเหตุผลที่น่าฟังมีเหตุผลที่สมควรที่เราจะไปบริจาคแบบเปิดเผย แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าพี่น้องจะเอาอย่างไงแต่ที่สําคัญก็คือลโนรีด um ูมิงคุมเดซาอ้นว่าละชุคูรออย่าไปเรียกร้องเขาจะขอบคุณเราเขาจะไม่ขอบคุณเราเอาไปเ да! อะอันนี้คือนอันนี้คือประเด็นที่ควรจะต้องพิจารณานะครับว่าการบริจาคต่ออัลลอฮ์นั้นมันควรจะต้องเป็นอย่างไงอินน้านขาข้าุมิลรอบ บ, บิน้ายอุมันอาบูซัน กอมตอรีราที่เราไปบริจาคไปทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากว่าเรากลัวความน่าหวาดกลัวของวันที่อบูเซนอบูเนก็คือหน้าที่เราจะต้องครึ้งขมวดอบสะวะตะวัลลาอบซะแปลว่าอะไรท่านนบีเกิดอาการอะไรอบสัสเครียดหรือครึง ครึ่งเครียดครึ่งเครียดครึ่งเครียดหรือว่าครึ่งเครียดสาทายอะไรถูกต้องอะอาบสอบูซัหมายความว่าวันแก่มากเนี่ยไม่มีใครยิ้มไม่มีใครยิ้มอบูซแต่ละคนก็คือไม่อยากจะคุยกับใครไม่อยากจะสนทนาภาธีกับใครทั้งสิน้นไปเลยไปเลยเอาตัวรอดอันนี้คือคําว่าอบูซคอมตอรีระคอม ต, อตอรีระก็คือ รู้สึกยากไปหมดไม่มีอะไรง่ายเลยทำอันนี้ก็ไม่ได้ทาอันนั้นก็ไม่ได้ทำอันนี้จับอะไรไม่ถูกสักชิ้นเหมือนเวลาที่เราเครียดอ่ะทำอะไรไม่เป็นไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างหนึ่งอันนี้คือวันแก้ ม, มัดครับเพราะฉะนั้นการบริจาคซะดะกะเนี่ยจะช่วยเราจะช่วยเราในวันนั้นอิชอัลล์นั่นแหละที่บอกว่าต้องมีการบริหารจัด ก, การว่า จะใช้ทรัพย์สินของเราเพื่อเอาไปใช้ในวันอาขัยรัตอย่างไงนี่คือการมองการไกลของบรรดาคนที่จะได้เข้าสวรรค์สุภาพน้าหละเราบอกแล้วว่าเราต้องรู้จักมองการไกลการไกลให้ทะลุไปถึงไปถึงวันอาขัยรัตด้วยนะครับเพราะว่าวันอาขัยรัตนั้นยังมีอะไรที่เราต้องเจออีกเยอะถ้าเราสะสมทุนเฉพาะที่เราจะใช้ในโลกดุญญนีย์นี้และเราไม่ได้สะสมทุนที่เราจะเอาไปใช้ในวันอาขัยรัตต่อไปเนี่ย เอาลำบากแน่นอนครับฉะนั้นชีวิตของมุสลิมจะต้องรู้จักบริหารจัด ก, การทั้งในดุนยาและชีวิตของเขาที่เขาจะไปในอวาาันอัคครต่อไปอัลฮัมดุลิลละอัลลอหฺครับน้านะเราจะมาดูกันว่าอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และจะให้อะไรอีกกับบรรดาคนที่ได้เข้าสวรรค์ด้วยความดีงามต่างๆที่พวกเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติและสะสมเอาไว้ในโลก น, นี้นะ la, อลัลลอฮฺ ت ع ا ละม صلى الله على نبينا محمد وعلى ิ <س ؤ> آل ه و صحبه وسلم سبحان ر ب ك ر ب العزة أ م ا ي َ س ف <ؤ> و ن و ا ل س ل ا م ع ل ى ا ل م ُ س ل ي ن و ا ل ح م د ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن السلام عليكم ورحمة الله وبركات ه